ฐานะร่ำรวยรวยเพราะอยู่ในบ้านคนรวยรวยด้วยมรดกจากญาติหรือรวยด้วยตนเองแม้ดูภายนอกเหมือนทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองเหมือนกันแต่ความเป็นตัวของตัวเองต่างกันความรู้สึกภูมิใจในตนเองต่างกันความสามารถในการหาเงินเพิ่มก็ต่างกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการเอาตัวรอดเมื่อของเก่าหมดไปจะต่างกันมากเราจึงควรลงลึกถึงเหตุเก่าและเหตุใหม่ไม่ใช่เน้นแค่คำถามที่ว่าชาติก่อนเคยทำบุญอะไรมาจึงรวยพุทธพจน์เรากล่าวว่าแม้ผู้ใดสาดน้ำล้างภาชนะหรือน้ำล้างขันไปที่บ่อน้ำคร่ำ หรือในบ่อโสโครกข้างประตูบ้านซึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่โดยความตั้งใจว่าสัตว์ที่อาศัยแหล่งน้ำนั้นจะดำรงชีพอยู่ได้ด้วยเศษอาหารในภาชนะก็เป็นเหตุเป็นที่มาแห่งบุญแล้วจากชั้ประูตร 1. ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลร้อยเท่า 2. ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีล พึงหวังผลพันเท่า3ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลแสนเท่า 4. ให้ทานในบุคคลนอกศาสนาพุทธผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพึงหวังผลหลายล้านเท่า 5. ให้ทานในผู้เพียรเจริญสติเพื่อบรรลุมรคผลขั้นแรกพึงหวังผลอันนับประมาณไม่ได้จากทักขินาวิพังคสูตร ทานหประการต่อไปนี้เป็นมหาทานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะไม่มีบัณฑิตใดรังเกียจคือเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าเป็นผู้เว้นขาดจากการยักยอกทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการผิดลูกเขาเมียใครเป็นผู้เว้นขาดจากการโกหกและเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาเมื่อเว้นขาดโดยประการทั้งห้านี้ยอมได้ชื่อว่า ให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวณความไม่บิดเบียนแก่สัตห์หาประมาณวิได้จากปุญญาพิสันทสูตรใครมีศีลรักษาศีลได้บริบูรณ์กองสมบัติเป็นอันมากย่อมบังเกิดขึ้นแก่คนนั้นเพราะความไม่เป็นผู้ประมาทจากมหาปรินิพพานสูตรหนึ่ง ผู้ใดเข้าหาสมณะและเปิดโอกาสให้ท่านขอสิ่งที่ประสงค์แต่กลับไม่ถวายสิ่งใดเลยเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทำการค้าขายอย่างใดๆจะขาดทุน 2. Power, mm ผู้ใดเข้าหาสมณะและเปิดโอกาสให้ท่านขอสิ่งที่ประสงค์แต่กลับไม่ถวายเท่าที่ท่านประสงค์เมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทาการค้าขายอย่างใดๆ จะไม่ได้กำไรตามที่คาดหวัง 3, ผู้ใดเข้าหาสมณะแล้วเปิดโอกาสให้ท่านขอสิ่งที่ประสงค์แล้วถวายท่านครบตามประสงค์เมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นกลับมาเกิดเป็นันุษย์ถ้าทำการค้าขายอย่างใดๆจะได้กำไรตามคาด 4. ผู้ใดเข้าหาสมณะแล้วเปิดโอกาสให้ท่านขอสิ่งที่ประสงค์แต่กลับถวายเกินความประสงค์ เมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทำการค้าขายอย่างใดๆจะได้กำไรเกินความคาดหมายจากวันนิชสูตรสำหรับชาวบ้านที่ยังบริโภคกามอยู่ครองเรือนนอนบีดบุตรใช้เครื่องหอมและยังยินดีในเงินทองอยู่ทำสีประการ น, นี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในปัจจุบันคือ ขยันทำงานหาทรัพย์รักษาทรัพย์ที่ได้มาให้ดีรู้จักคบคนมีธรรมะและใช้ชีวิตให้เหมาะกับระดับทรัพย์สินที่มีจากีฆชานุสูตรมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์เรามาตกลงกันว่ารวยในที่นี้หมายถึงมีมากกว่าซื้อหาข้าวของได้พิเศษกว่า และระดับชีวิตถูกยกขึ้นเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปเช่นอยู่ในบ้านเรือนโอทโงมีรถงามสงา่าชนิดที่ไม่ใช่ใครๆอยากซือกซ้อก็ซื้อได้หากถามว่าทำกรรมอะไรมาถึงรวยเป็นพิเศษคำตอบตรงตัวคือทำกรรมด้วยอาการเผื่อแผ่มีใจที่กว้าง เป็นไปในทางช่วยเหลือผู้อื่นเป็นพิเศษและบ่อยครั้งกว่าคนทั่วไปและต่อให้เงินไหลเข้ากระเป๋าราวกับฝนตกใส่ฟรีๆแต่เราปล่อยให้เทออกเหมือนน้ำป่าไหลบ่าไปมันก็ไม่เหลือจึงต้องทำความเข้าใจว่ามีบุญเก่าเกื้อให้รวยก็นับว่าดีถือเป็นมงคลชีวิตแล้วแต่ก็ควรประกอบกรรมใหม่ที่เป็นมงคลด้วยจึงจะรวยจริง รวยนานไม่ใช่รวยช่วงเดียวแล้วลำบากยาวปัจจุบันมีการประโคมกันว่าพระพุทธเจ้าให้คาถามหาเศรษฐีอุอากสะซึ่งหมายถึงขยันหาทรัพย์รู้จักรักษาทรัพย์คบมิตร ด, ดีและใช้ชีวิตให้เหมาะกับฐานะความจริงก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงรับประกันว่าทำตามสี่ข้อนี้แล้วจะได้ร่ารวย แต่ท่านตรัสว่าทำตามแล้วคนจนจะสุขสบายตามฐานะส่วนคนรวยก็จะไม่ถึงความวอดวายล่มจมความรู้สึกทางใจเป็นเครื่องวัดความรวยความจนที่เที่ยงตรงกว่าเงินทองกล่าวเช่นนี้เพราะอะไรเพราะถึงมีเงินน้อยแต่จ่ายเป็นเผื่อแผ่เป็นก็ดูดีมีสง่าราศีเหมือนคนรวยได้ ตรงกันข้ามมีเงินมากแต่จ่ายไม่เป็นทำบุญทำทานไม่ถูกใจก็แผ่รังสีอั ต, ตคัดออกมาเหมือนขอทานได้ใจเหมือนขอทานเป็นอย่างไรคือใจที่มีแต่จะเอาเข้าตัวให้คนอื่นไม่เป็นเรียกร้องความสงสารจากผู้อื่นแต่ไม่แม้แต่จะเห็นใจใครเลยจิตขอทาน ย่อมไม่เหมาะกับสภาวะเศรษฐีเป็นแน่แท้ตามกฎแห่งความยุติธรรมของกรรมวิบัติและเมื่อชีวิตคนรวยยังไม่จบก็ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าจะรวยไปทั้งชาติแม้มีรวยระดับโลกแถมจ้างสำนักงานบริหารการเงินแต่คบมิดชั่วที่ชักชวนพลานเงินไปในทางไม่สร้างสรรค์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่ก่อให้เกิดบุญญาบารมีและสติปัญญาไม่นานก็จะตกอยู่ในสภาพชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะเงินมากยิ่งประมาทมากนึกว่าจ่ายได้ก็จ่ายเลยหลายๆครั้งเข้าก็กลายเป็นยอดรวมที่จ่ายไม่ได้ขึ้นมากรณีศึกษาทํานองนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถ่ายทอดความเก็บหลาบให้แก่กันไม่ได้ต้องเจอเองจึงสํำนึก และบทจะสำนึกจริงจังขึ้นมาสำหรับบางคนก็สายเกินกว่าจะกู้เอาฐานะโรยล้นฟ้ากลับคืนเสียแล้วได้แต่เอาสภาพโรยหนี้ระดับโลกไปแทนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านอกจากขยันและหมั่นเก็บยังต้องรู้จักเลือกคบมิตรด้วยใช้ชีวิตให้สมระดับฐานะด้วยจึงจะคงความมั่งคั่งไว้ได้ตลอดไปพูดอีกในหนึ่ง คือหวังกินบุญเก่าอย่างเดียวไม่พอบุญใหม่ต้องหามาเติมด้วยกรรมในการให้ทานพุทธศาสนาเรามีขึ้นมาเพื่อบอกความจริงไม่ใช่เพื่อให้ความหวังลมๆแรงๆ แ, และความจริงที่พุทธศาสนาบอกเราก็คือถ้าอยากเห็นผลของทานอันยิ่งใหญ่ในชาติถัดไปชาตินี้คุณจะต้องมีน้ําใจยิ่งใหญ่ ไปจนตายม่ใจให้ทานเหมือนลงทุนเก่งกำไรหนสองหนปีนี้บริจาคส0 0ร้อปีหน้าหวังดอกเบี้ย ง, งอกเป็นสามล้านการให้ทานที่หวังผลได้ในปัจจุบันคือยิ่งให้เท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดว่าชาตินี้รวยน้ำใจขึ้นเท่านั้นและถ้าน้ำใจมากน้ำหนักความสุขก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสัดเป็นส่วนกันน้าใจ อาจพัดเงินให้ไหลมาเทมาได้แต่อย่าคาดหวังว่าจะรวยขึ้นกว่าเดิมเป็นสิบเป็นร้อยเท่าเพราะกรรมเก่าขีดเส้นมาแล้วว่าชาตินี้คุณมีสิทธิ์รวยได้ประมาณไหนไม่เกินพิกัดเท่าใดถ้าจะตั้งความหวังเกี่ยวกับความมั่งคั่งอันงอกเงยจากผลของทานก็ขอให้คิดอย่างนี้ว่าน้ำใจเป็นสิ่งที่เพิ่มได้ไม่จากัด และนั่นก็จะเป็นเหตุให้ชาติถัดไปรวยได้ไม่จํากัดเช่นกันที่ตรงนี้เราควรมาดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสแนะวิธีทําทานให้ได้ผลใหญ่ไว้อย่างไรแต่ละข้อต่อไปนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าล้วนส่งเสริมให้ได้ชีวิตบนกองเงินกองทองทั้งสิ้นหนึ่งให้ทานด้วยความศรัทธาคือรู้สึกดีที่ให้ เพราะอยากให้และให้สำเร็จกับทั้งเชื่อมั่นว่าเมื่อให้แล้วมีความสุขในปัจจุบันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องเป็นสุขเช่นกัน 2. ให้ด้วยความเคารพคือมีความรู้สึกอยู่ว่าการทําทานเป็นของสูงไม่ใช่ของต่าจึงไม่ควรโยนให้หรือเสือกสสยให้เหมือนเป็นของเหลือเดน การถวายทานแด่ ส, สงฆ์จัดเป็นการฝึกใจให้ทำทานด้วยความเคารพได้อย่างดีเพราะรู้สึกอยู่ว่าท่านใช้ชีวิตที่สะอาดสูงส่งกว่าเรา 3. ให้โดยการอันควรคือให้อย่างรู้จักความเหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลาหนึ่งหนึ่งเช่นเมื่อเห็นพระตาแดงก็ขนขวายเป็นธระหายาหยอดตามาให้ท่าน เห็นวัดมีทางโคจรของพระที่เฉอแะแฉะก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำทางให้แห้งหรือเทปูนให้พวกท่านเป็นต้น 4. ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์คือให้ด้วยความปรารถนาจะช่วยให้ผู้รับเกิดประโยชน์หรือผ่อนหนักเป็นเบาให้กับเขาอย่างแท้จริงจิตที่คิดให้ด้วยความอนุเคราะห์จะช่วยให้เราเกิดใหม่เป็นคนรวยยามีรถนิยม รู้จักเลือกหารู้จักแต่งเติมชีวิตให้เลิศสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่เก็บเงินเยอะแต่บ้านช่องดูแย่มาก 5. ให้โดยไม่กระทบตนและผู้อื่นคือให้โดยไม่ประชดให้โดยไม่แข่งขันชิงดีให้โดยไม่คิดเอาหน้าเกินใครบางคนทำบุญแบบเกยทับกัน เห็นเขาออกก่อนห้าร้อยเลยหยิบแบงค์พันขึ้นมาสู้จิตมีอาการคิดเบ่งคิดทำให้เขาเสียหน้าหรือน้อยหน้านี่เรียกว่าให้แบบกระทบผู้อื่นแต่ถ้าให้ในแบบที่ช่วยให้ทุกคนสบายใจถึงเวลาบุญผลผลก็จะรวยอย่างสบายใจไม่ถูกความรวยรบกวนจิตใจมากการให้ทานกับสัตว์เป็นของดี เป็นการให้ทานขั้นพื้นฐานที่ควรฝึกเพราะโดยมากเราจะไม่หวังการตอบแทนในทางใดๆจากสัตว์โดยเฉพาะถ้าเป็นสัตว์ข้างถนนหรือสัตว์ในน้ำที่ไม่มีใครสนใจหากฝึกให้ด้วยใจคิดอนุเคราะห์ให้ด้วยความอ่อนโยนคุณจะรู้จักรสสุขของการให้ที่แท้ให้เข้าไปเหมือนได้ก็ตัวเราเอง ความรู้สึกทํานองนั้นชี้ว่าสัญชาตญาณรู้ผลกรรมเริ่มเกิดดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ข้าวเขาก็เหมือนให้ข้าวตัวเองแม้ความอยากให้เพียงเศษอาหารติดจานข้าวไปกับสัตว์ในบ่อน้ำใกล้ๆก็มีผลคูณได้เป็นร้อยเท่าสมมุติให้ก็ใจง่ายคือถ้าสัตว์ในบ่อกำลังหิว แล้วได้กินเศษอาหารติดน้ำที่เราศาด์ไปในที่ที่บุญนี้ลผลิผลเรากำลังหิวอยู่ก็อาจมีคนนำอาหารอย่างดีมาวางให้ตรงหน้าด้วยความสงสารนั่นนับเป็นร้อยเท่าของเหตุที่เราเคยทำแล้วในการให้ทานด้วยใจบริสุทธิ์แบบไม่เลือกหน้าไม่แบ่งชั้นวันนั้นนับว่าดีที่สุดคือ ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นสัตว์ข้างถนนขอทานผู้มีศีลตลอดจนผู้เพียรเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานเส้นทางนักทำทานจะพาคุณไปพบพวกท่านแบบไต่ลำดับไปเองเพราะใจที่เปิดกว้างเป็นทานาจิตเต็มดวงย่อมคู่ควรกับผู้รับแม้ระดับอรหันต์ผู้รับมีส่วนขยายผลไม่ใช่ไม่มีอย่านึกว่าเท่ากัน เปรียบเหมือนตีคลองเล็กด้วยกําลังแรงขนาดหนึ่งถ้าเอากําลังแรงขนาดนั้นไปตีคลองที่ใหญ่กว่าหลายเท่าเสียงออกมาก็ต้องดังขึ้นหลายเท่าเป็นธรรมดากรรมในการรักษาศีลคนยุคนี้มักมองว่าพ่อค้าที่ฆ่าสัตว์ขายก็รวยคนคดโกงบ้านเมืองก็รวยคนเป็นชู้ดะก็รวย คนลวงโลกก็รวยคนกินเหล้าก็รวยแถมอาจจะรวยระดับประเทศเสียด้วยฉะนั้นการรักษาศีลไม่น่าจะเกี่ยวกับรวยหรือไม่รวยขอให้มองว่าความรวยจากการเป็นคนทุศีนนั้นเหมือนตั้งสมบัติไว้บนเขตที่แผ่นดินไหวบ่อยไม่แน่ว่าสมบัติจะพังราบไปเมื่อใดหรือกระทั่ง ตัวเจ้าของจะต้องตายตามสมบัติในวันไหนที่แน่แน่คือตามกฎแห่งกรรมวิบากแล้วชาติหน้าของคนทุศีลคงยากจะประสบสุขมีคนอยู่จำพวกหนึ่งเคยทำทานไว้มากผลของทานจ้องรอจะส่งให้รวยอยู่ติดขัดก็แต่ว่าผลบาปอันเกิดจากการผิดศีลตัดหน้าไปก่อนเช่น เคยเป็นกษัตริย์นำทัพไปล้อมเมืองเขาไว้เป็นผลให้ชาวเมืองอดข้าวอดน้ำลำบากเป็นเวลานานสวรรคตรแล้วจึงต้องไปเข้าท้องคนอัตคัดขัดสนพอผลของบาปหมดกำลังจึงค่อยเปิดทางให้ผลของทานแสดงตัวบ้างแต่ก็ต้องร่ำรวยล้นฟ้าขึ้นมาด้วยความวิริยะอุตสาหะอยู่ดีไม่ใช่รวยขึ้นมาดื้อ โทษฐานที่เคยทําความลำบากให้คนอื่นไม่มากผู้มีศีลบริบูรณ์อาจไม่รวยล้นฟ้าทันตาเห็นแต่เขาย่อมเป็นผู้ระมัดระวังใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่พลาดหลงไปในทางอากุศลเมื่อชีวิตไม่หลงไปตามอากุศลกุศลย่อมเกิดขึ้นแทนและความร่ํารวยก็ย่อมยืนอยู่ข้างกุศลในชาติตัดไปนั่นเองพิจารณาเป็นข้อๆได้ดังนี้ 1. เมื่อตั้งใจเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์แม้มีเหตุยั่วยุให้ขุนเคืองอาฆาตก็ละเว้นได้ทั้งชีวิตสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่มีใจเป็นอภัยทานซึ่งมีความหมายว่าถ้าเคยผูกเวรกันมาเขาเคยก่อเวรไว้กับคุณพอถึงตาคุณได้โอกาสเอาคืนบ้างคุณก็ไม่เอาแต่เลือกที่จะปล่อยเขาไปนี่คือ ให้ชีวิตของเขาเป็นทานกับเขาเองทีเดียว2เมื่อตั้งใจเ้นขาดจากการขโมยแม้มีเหตุยั่วยุให้อยากเอาของเขามาเป็นของเราก็ละเว้นได้ทั้งซับเล็กและซับใหญ่ใจจึงตั้งอยู่ในความคิดยกให้เจ้าของครอบครองทรับของเขาไปตามเดิมจัดเป็นจำนวนความคิดให้ทานประการหนึ่งส เมื่อตั้งใจเว้นขาดจากการผิดลูกผิดเมียชาวบ้านแม้มีเหตุยั่วยุให้เกิดราคะแรงกล้าก็ละเว้นได้ทั้งการแตะต้องด้วยความกำนัดและการมีเพศสัมพันธ์ผิดผิดค่าตัวอันตีราคาได้จากเพศสัมพันธ์กับเขาหรือเธอมีประมาณใดก็เท่ากับคุณยกคืนให้เจ้าของประมาณนั้น 4. เมื่อตั้งใจเว้นขาดจากการโกหก แม้มีเหตุยั่วยุให่อยากปิดเบือนความจริงเพื่อเอาผลประโยชน์ก็ละเว้นได้ทั้งการหลอกลวงตรงๆและการช่อโฉนทางอ้อมผลประโยชน์จากการโกหกมีเท่าไหร่ก็เท่ากับคุณยกคืนให้เจ้าของประมาณนั้น 5. เมื่อตั้งใจเว้นขาดจากการดื่มสุรายาเมาแม้มีเหตุยั่วยุให้อยากเอาสนุกก็ละเว้นได้ทั้งการเสพพอสนุก และการเสพจนเมาหัวราน้าความเสียหายทั้งหมดของคนอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากความขี้เมาของคุณคุณแลกซื้อแล้วด้วยการยอมอดสนุกเสเองแยกแยะตามหลักของพระพุทธเจ้าเช่นนี้คุณคงเห็นแล้วว่าศีลก็เป็นทานเหมือนกันและไม่ใช่ทานธรรมดาต้องเรียกว่าเป็นมหาทานอีกด้วย นี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเราแตกต่างจากเหล่าสัตว์ที่ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเรามีเจตนาควบคุมความประพฤติตนเองเพื่อหลีกออกจากโลกของการกระทบกระทั่งได้คิดถึงอกเขาอกเราได้รัศมีของการให้ความปลอดภัยจึงเปล่งประกายออกมารัศมีนี้เองเป็นตัวดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองกับทั้งทำตัวเหมือนแผ่นดินอันมั่นคง เป็นที่ตั้งรองรับสมบัติไม่ให้โยกลอนหรือกระจายหายไปไหนเมื่อทำมหาทานอยู่ทั้งชีวิตใจย่อมรู้สึกอยู่ว่าเมื่อชาตินี้รวยศีลแล้วจะแปลกอะไรถ้าชาติหน้าจะรวยทรัพย์อย่างมั่นคงต่อไปกรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องความร่ำรวยเกิดจากความมีใจกว้าง มีใจเผื่อแผ่กํมไดที่เป็นไปเพื่อความการุณาต่อผู้อื่นช่วยให้ทุเลาทุกช่วยให้ความสุขช่วยให้ความสบายช่วยให้ความปลอดภัยกับมหาชนกํมนั้นย่อมขยายขอบเขตอาณาจักรเงินทองได้ทั้งสิน้นคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตามสถานการณ์บางชาติรวมแล้วให้ฐานมากแต่รักษาศีล น, น้อย บางชาติรวมแล้วให้ทานน้อยแต่รักษาศีลมากบางชาติรวมแล้วให้ทานและรักษาศีลพอประมาณแต่ไม่ขนขวายทํางานไม่มีหัวริเริ่มสร้างเครือข่ายธุรกิจของตนเองฉะนั้นการได้ทรัพย์มาและความเสื่อมสูญไปของทรัพย์จึงแบ่งแยกออกได้เป็นประเภทตามกรรมอันหลากหลายแต่โดยย่นย่อแล้ว สภาพความร่ำรวยแบ่งได้เป็นสี่ชนิดดังนี้หนึ่งรวยด้วยลาบลอยบางคนเกิดมายากจนแต่อยู่ๆถูกหวยใต้ดินหรือเล่นลอตเตอรี่ได้รางวัลที่หนึ่งหรืออยู่ๆได้รับการตกรางวัลก้อนโตเพราะทำเรื่องถูกออกถูกใจผู้มีบุญหนักสักใหญ่อย่างนี้คือความหมายของ รวยด้วยลาบลอยความรวยชนิดนี้มาจากการให้ทานแบบที่ส่งลาบลอยให้คนอื่นอยากให้เขาพ้นทุกโดยไม่คาดฝันเช่นเดินทางกลางป่าพบพระทุดงที่กำลังอดอยากถึงกับนำอาหารที่เตรียมมาเพื่อตอนเองถวายท่านหมดแบบไม่เ ส, ด, เสด็เสด็จได้หากผู้ให้มีกำลังใจยิ่งใหญ่ส่วนผู้รับก็มีความบริสุทธิ์มาก ผลย่อมมหาศาลประมาณไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้รับเป็นพระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากฌานขั้นสูงสุดก็ไม่ต้องรอลาบลอยในชาติต่อไปแต่จะบังเกิดผลทันทีภายในเจ็ดวันทีเดียวพวกที่ชอบตั้งสมาคมสังคมสงเคราะห์หรือเศรษฐีที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตหมู่คนแบบฉับพลันทันทีช่วยให้คนยากจนมีงานทา มีไรายได้เป็นของตัวเองก็เข้าข่ายจะได้รับลาบลอยก้อนใหญ่เช่นกันแม้กระทั่งอยากให้ใครประหลาดใจยินดีปรีดาเป็นล้นพ้นด้วยการให้ของขวัญหรือของสมนาคุณที่เกินความคาดฝันก็จะมีผลให้เกิดลาบลอยด้วยแต่ความยิ่งใหญ่ของผลอาจลดหลั่นลงไปตามกำลังใจที่คิดให้ตลอดจนระดับศีลธรรมของผู้รับและผลกระทบ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้รับนั้นนั้นรวยด้วยมรดกกองมรดกมีนิยามตามตัวบทกฎหมายคือบรรดาทรัพย์สินของผู้ตายส่วนใครมีสิทธิครอบครองมรดกของผู้ตายก็ว่ากันไปตามพินัยกรรมหรือการสั่งเสียมรดกยังมีประเภทของมันเองเช่น มรดกคู่ชีพคือเกิดมายังไม่ทันไรก็ได้เลยเช่นอายุยังไม่ถึงยี่สิบแต่เจ้าุณปู่แบ่งสมบัติให้แล้วร้อยล้านเห็นได้ชัดว่าเพียงรายได้อันเกิดจากดอกเบี้ยรายปีก็มากกว่าคนทำงานกินเงินเดือนเกือบทั้งโลกแล้วรากของกรรมที่ทำให้มีสิทธิ์ได้มรดกคู่ชีพคือบริจาคเงินเป็นประจำเพื่อเลี้ยงอาหารเด็ก คนชราหรือผู้อนาถาด้อยโอกาสต่างๆหรือไม่ก็ใส่บาทพระทุกวันทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนซึ่งก็คือการหยิบยื่นแบบไม่มีเงื่อนไขให้ใครหลายๆคนได้อยู่สบายกินสบายตลอดเท่าที่ผู้บริจาคยังไม่สิ้นอายุมรดกเย็นคือได้แน่ๆตามการแบ่งกับญาติพี่น้องตามสัดส่วนที่ยุติธรรม หรือผู้ตายจัดสรรไว้ให้แน่นอนไม่เป็นอื่นแล้วรากของกรรมที่ทำให้มีสิทธิ์ได้มรดกเย็นคือเคยมีความโน้มเอียงให้ทานแบบปราศจากเงื่อนไขและจัดสรรให้อย่างยุติธรรมเช่นเมื่อมาสถานที่เลี้ยงเด็กก็เตรียมมาด้วยความตั้งใจจะเลี้ยงให้ครบทุกคนหรือให้ได้มากที่สุดโดยไม่เลือกหน้าพวกที่ให้ทานเย็นกับคนอื่นไว้ ก็มารวมเครือญาติรับมรดกเย็นร่วมกันทั้งนี้แม้ของเก่าเป็นกรรเย็นก็ไม่แน่ว่าปัจจุบันใจจะเย็นไปด้วยมรดกร้อนคือไม่รู้แน่ว่าจะได้หรือไม่ได้ยังความร้อนใจกระวนกระวายหรือกระทั่งการแตกคอกันในระหว่างหมู่ญาติ บางรายสู้รบกันในศาลเป็นสิบปียังไม่ตัดสินรากของกรรมที่ทำให้มีสิทธิ์ได้มรดกร้อนคือการให้ที่ไม่ตรงไปตรงมาประเภทแจกของล่อใจชิ้นโตยั่วกิเลสคนอย่างมีเงื่อนไขต้องให้คนเขาสู้กันหรือต้องแข่งขันชิงชัยซะก่อนคนชนะจึงมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพวกที่ให้ทานร้อนกับคนอื่นไว ก็มารวมเครือญาติรับมรดกร้อนร่วมกันทั้งนี้แม้ของเก่าเป็นกรรร้อนก็ไม่แน่ว่าปัจจุบันใจจะต้องร้อนไปด้วยมรดกเลือดคือสมบัติเป็นเหตุแห่งศึกสายเลือดแย่งกันถึงขั้นคอขาดบาทตายหลายตระกูลทั่วโลกมีสมบัติมากแต่ไม่ใช่เหตุแห่งความสุข จะเป็นเหตุแห่งความทุกข์เจียนคลั่งเสียมากกว่าเพราะแม้แต่พี่น้องของตัวเองก็ไว้ใจไม่ได้มากไปกว่าโจรที่จ้องฆ่ากันรากของกรรมที่ทำให้มีสิทธิ์ในมรดกเลือดคือเคยตั้งรางวัลใหญ่ยห้คนหรือสัตว์ฆ่าแกงกันหรือทำร้ายตบตีชกต่อยกันโดยผู้อยู่รอดหรือผู้ชนะค่อยเอารางวัลไป พวกที่ให้ทานบนน้ำใจโหดเหี้ยมก็มารวมเครือญาติรับมรดกเลือดร่วมกัน 3. ร่รวยด้วยน้ำพักน้ำแรงน้อยคนมากๆในโลกนี้ที่ได้ลาบลอยหนเดียวแล้วรวยเลยตลอดไปส่วนใหญ่ถ้าไม่รู้ว่าได้เงินก้อนโตมาอย่างไรก็เท่ากับไม่รู้วิธีหาและรักษาไว ส่วนพวกที่รวยมรดกไปจนตายก็มักสบายแบบเคยตัวประมาทในชีวิตคิดว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้และจากข้อก่อนคงเห็นแล้วว่าความผัวพันกับมรดกร้อนและมรดกเลือดนั้นจะก่อให้เกิดภัยเวรผูกกันไปอีกแสดงให้เห็นว่าทรัพย์อันเกิดจากศพของคนอื่นมักไม่นำมาซึ่งความสงบใจ สูทรพย์อันเกิดจากกรรมของเราเองในอดีตและปัจจุบันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นของเราจริงไม่ต้องแย่งกับใครและใครมาแย่งไม่ได้สรุปคือรวยลาบกับรวยมรดกนั้นยังไม่แน่ว่าโชคดีหรือโชคร้ายต่างจากรวยด้วยตัวเองอันนั้นมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นลาบ สนุกกับการสร้างลาบให้ตนและมีตนเป็นผู้รักษาเป็นไหนไหนการรวยด้วยน้ำพักน้ำแรงมีสองประเภทใหญ่ๆ 1. คือค้าขายเอาผลกำไร 2. อคืออาศัยความรู้ความสามารถความเก่งกาจหรือความฉลาดประดิษฐ์ในการทำให้มหาชนพอใจแล้วแปลความพอใจอันใหญ่หลวงของมหาชนเป็นไรายได้ในภายหลัง รากของกรรมอันบันดาลให้เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ได้กำไรคือเข้าไปไถ่าถามผู้ทรงคุณว่าอยากได้อะไรแล้วหามาให้ตามที่ท่านขอหรือมากกว่านั้นจะเป็นเหตุสนับสนุนสำคัญให้ได้เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จรุ่งเรืองตรงจุดนี้ขอให้สังเกตด้วยว่าภาพของกิริยาที่ทำกรรมย่อมสะท้อนกลับมา เป็นภาพของปฏิกิริยาที่สอดคล้องเมื่อรับผลกรรมส่วนรากของกรรมที่บรรดาลให้เป็นคนรู้มากสามารถมากเก่งมากฉลาดมากอีกทั้งมีผลงานให้มหาชนพอใจนั้นให้ทานและรักษาศีลยังไม่พอต้องเป็นผู้เคยทำประโยชน์เฉพาะทางไว้ก่อนด้วยขอยกไว้เป็นตัวอย่างสักสองสามอาชีพเพื่อให้เห็นภาพชัดดังนี้ ถ้าเคยทำขนมถวายพระใช้ใจใช้ความคิดใช้ความสามารถทั้งหมดทุ่มเทให้กับการทำขนมอร่อยถวายพระอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานอย่างนี้เกิดใหม่จะมีทั้งไอเดียและมีฝีมือทำขนมตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นถ้าขยันพอจะทำขนมขายก็จะมีทั้งรสขนมที่ถูกปากเป็นที่ติดใจแก่ลูกค้ากับทั้งมีรัศมีบุญดึงดูดคนเข้าร้าน และอยากช่วยบอกต่อถ้าเคยยอมเอากำลังแรงหรือชีวิตเข้าแลกในการปกป้องพระสงฆ์องค์เจ้าลูกเด็กเล็กแดงหรือคนบริสุทธิ์ที่กำลังถูกศัตรูรุกรานอย่างนี้เกิดใหม่จะมีกำลังใหญ่มีความหึกเหิมห้าวหาญหากไม่มีอาชีพอื่นให้เลือกได้ใจถึงพอก็เป็นนักมวยหรือเป็นนักสู้ระดับประการที่มหาชนชมการต่อสู้ แล้วระทึกช่วยกันเชียร์จนค่าตัวสูงลิบต่อให้ไม่ชนะทุกไฟก็ตามถ้าเคยใส่ใจไถ่าถามพระหรือผู้ทรงศีลหรือพ่อแม่ว่ามีโรคทางกายอย่างไรลำบากเรื่องสุขภาพประการใดและขนขวายหาหยกยาหรือขนทางรักษาท่านด้วยความรู้จักเลือกยาเลือกหมอกับทางรักษาได้สำเร็จ หรือช่วยให้พวกท่านทุเลาอาการลงอย่างนี้เกิดใหม่จะมีสัญชาตญาณและความสนใจรักษาคนป่วยอยากเห็นคนหายจากโรคภัยไข้เจ็บกับทั้งมีกำลังสมองเพียงพอจะรองรับศาสตร์หรือสาขาแพทย์แผนใดแผนหนึ่งหรือกระทั่งมีสิทธิ์ค้นพบสูตรยาหรือวิธีรักษาอันหรือลั่นได้ยิ่งชาติไหนเป็นหมอมีฝีมืออยู่แล้ว และได้โอกาสรักษาพระอาพาธกลุ่มใหญ่ด้วยน้ำใจกรุณาก็ยิ่งเป็นเหตุให้ชาติถัดไปมีพรสวรรค์นเหนือกว่าแพทย์อื่นเข้าไปอีกอาจถึงขั้นระดับประเทศหรือระดับโลกได้สรุปคือเคยทำบุญไว้เหมาะกับอาชีพแบบไหนมากก็จะเป็นผู้มีพรสวรรค์ผลักดันให้เกิดความเพียรในสาขาวิชาชีพนั้นๆเต็มใจทุ่มเทเวลาให้ กับทั้งรีดกำลังสมองทั้งหมดให้กับสิ่งที่ตนถนัดจนกลายเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลในสาขาอาชีพแล้วเงินทองกับการยกระดับชีวิตย่อมตามมาเอง 4. ่รวยด้วยเส้นทางคนบาปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมก็เพราะผลกรรมมาช้าถ้าผลกรรมมาเร็วทันตาทันใจ โลกนี้คงต่างไปจากที่เห็นเช่นเตะใครและถูกเตะกลับแบบหมดสิทธิ์ป้องกันตัวยกเขาบ้านใครกลับมาเจอบ้านตัวเองว่างเปล่าบ้างอย่างนี้ทุกคนจะกลัวบาปและอยากทาบุญกันหมดแต่นี้บางคนทาบ่อนอบายามุกแล้วรวยขายเหล้าและเป็นเศรษฐีโกงบ้านโกงเมืองและยังมีหน้ามีตาอยู่ได้คนทั่วไปเลยถอดใจไม่อยากเชื่อว่า ผลของการทำบาปมีจริงต่อเมื่อศึกษาจนเข้าใจแล้วว่าการเข้าท้องมนุษย์มาเกิดกับพ่อแม่คู่หนึ่งคู่หนึ่งมีรูปร่างหน้าตาและสติปัญญาแบบหนึ่งแบบหนึ่งก็ด้วยผลรวมของกรรมเก่ากรรมเก่าวางแผนไว้ให้หมดแล้วว่าจะได้ดีหรือตกยากประมาณไหนในช่วงต้นช่วงกลางหรือช่วงปลายชีวิตจึงค่อยเกิดศรัทธาึ้นมาได้ นอกจากรับกรรมเก่าแล้วเราทุกคนก็กำลังสร้างกรรมใหม่จะส่งเสริมหรือขัดขวางกรรมเก่าเป็นสิทธิที่จะเลือกได้ใหม่ไม่จำกัดเช่นบุญจากการให้ทานส่งให้คุณรวยตั้งแต่เกิดแต่ด้วยความไม่รู้ว่ารวยได้อย่างไรนึกว่าบังเอิญโชคดีแบบไม่มีเหตุผลก็อาศัยความโชคดีนั้นไปสร้างธุรกิจปลอกลอกเงินประชาชน แบบจะเอาเงินต่อเงินให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกไม่รู้ตัวเลยว่านั่นเป็นการสร้างความหายณะให้กับตนเองเพียงใดในชาติที่ทำธุรกิจโกงเงินประชาชนถ้าบุญเก่าเลี้ยงไว้แบบจะให้สบายตลอดชีวิตอย่างไรก็ไม่ต้องติดคุกคุณอาจลอยหน้าลอยตายิ่งใหญ่ขับฟ้าไม่เลิกแต่หากบุญเก่าไม่ได้สั่งให้ต้องสบายแน่แ่ไปตั้งชาติน้าลดเมื่อไหร่ ต่อก็ผุดเมื่อ น, นั้นคุณอาจต้องเข้าคุกในบ้านปลายชีวิตแล้วถ้ามีสิทธิ์กลับมาเกิดใหม่ในแดนมนุษย์ก็าอาจมาอยู่กับครอบครัวที่สิ้นไร้ไม้ตอกโดนเข้าโกงตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงรุ่นคุณเรียกว่าได้หน้าดำเคร่ำเครียดกับความยากจนตั้งแต่เกิดจนตายพยายามหาเงินมาแค่ไหนก็โดนโกงไปแค่นั้น สรุปว่าจะร่ารวยได้นั้นไม่ว่าจะบนเส้นทางนักบุญหรือคนบาปอย่างไรก็ต้องมีบุญเก่าหนุนหลังอยู่ส่วนคำถามที่มักเกิดขึ้นว่าทำไมบางคนทำบาปขึ้นทำไมบางคนพยายามหลายครั้งก็ไม่สาเร็จอันนี้ก็ต้องมาดูกันมูลเหตุให้ทำบาปขึ้นนั้นเกิดจากการที่เคยใช้เงินเปื้อนบาปไปทำบุญหรือเป็นตัวตั้งตัวตี เชิญชวนคนมาทำบุญด้วยเครื่องล่อเป็นอบายมุขหรือเคยหลงผิดเข้าไปอยู่ในลัทธิความเชื่อประเภทบูชาเทพด้วยชีวิตสัตว์หรือฆ่าคนด้วยเมตตาเป็นประจำด้วยเจตนาอยากช่วยเขาพ้นทุกข์พ้นทรมานบุญเปื้อนบาปหรือบาปชา บ, บุญนี้เองคือชนวนของการทำบาปขึ้นในชาติถัดมาในอดีตคฤรืหบดีบางคน ทำธุรกิจเล่ายาแล้วเอาเงินไปสร้างวัดสร้างหอสมุติธรรมะสร้างสาธารณประโยชน์มหาศาลก็ไม่น่าประหลาดใจว่าเกิดใหม่พอจับธุรกิจเล่ายาอีกจึงรุ่งเรืองอีกทว่าความรุ่งเรืองใดๆทั้งทางโลกและทางธรรมก็ช่วยให้รอดจากผลของการขายเล่าไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่กรรมผลิดผล ในอดีตบางคนเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองมีอำนาจราชศักแล้วใช้อำนาจราชศักนั้นในการทำนุบำรุงาศาสนาต่างๆจิตใจกว้างขวางคิดเอื้อประโยชน์สุขแก่สมณะและปวงชนเมื่อเกิดใหม่ก็ไม่น่าแปลกใจหากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองอีกส่วนจะคิดปกครองหรือเล่นการเมืองแนวใดก็ขึ้นอยู่กับว่า ในปัจจุบันต้องเข้ากับกลุ่มพวกที่มีความเชื่อทางการเมืองแบบไหนอาศัยอยู่ในประเทศใดอย่ามองแบบเหมาเข่งว่าเป็นนักการเมืองต้องโกงกินและไร้คุณงามความดีกันสักนิดเดียวคนมักคิดว่าความยากจนคือต้นเหตุของพยันตรตรายและความชั่วร้ายทั้งปวงแต่ข้อเท็จจริงคือโจรหิวโซ เป็นภัยได้แคบจํากัดกว่าเศรษฐีที่ยังอิ่มไม่พอเพราะโจรกระจอกนั้นพอทำร้ายใครแค่คนเดียวก็อาจโดนตำรวจจับเข้าคุกยาวกว่าจะออกมาก่อคดีอีกแต่เศรษฐีที่มีอิทธิพลใหญ่อาจใช้อำนาจเงินซื้อตำรวจไว้ทั้งเมืองแม่เขาฆ่าคนตายหรือทำให้หลายครอบครัวเดือดร้อนแสนสาหัสใครเล่าจะแตะต้องเขาได้ นอกจากวิบากกรรมที่จะตามมาเล่นงานซึ่งก็อาจเป็นเวลาเนิ่นนานต่อมาใครทนรอเห็นผลที่จะเกิดกับมาเฟียใหญ่ไม่ไหวก็อาจต้องเสื่อมศรัทธาในบาปุนกันไป